การปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงผลได้นั้นจำเป็นจะต้องมีพลังขับเคลื่อนจิตใจจิตใจเป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีน้ำมันถึงจะสามารถ เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ถ้ารถยนต์ไม่มีน้ํามันต่อให้เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถภาพสูงขนาดไหนมีความเร็วเร็วขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถวิ่งไปได้ต้องมีน้ํามันไว้ขับเคลื่อนถึงจะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ ใจิตใจที่มีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องมีน้ำมันมีพลังขับเคลื่อนใ จ, ใจิตใจจิตใจถึงสามารถที่จะเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้น้ามันขับเคลื่อนหรือพลังขับเคลื่อนของใจนี้ก็คืออิทธิบาทสี่คุณธรรมสี่ประการถ้าผู้ใดมีคุณธรรมสี่ประการนี้อยู่ภายในใจผู้นั้นจะสามารถปฏิบัติธรรม เพื่อให้บรรลุมรกถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติรมควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่อจิตใจก็คือการสร้างอิทธิบาทสีให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้ขับเคลื่อนใจ ให้ปฏิบัติธรมเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอิทธิบาสสี่นี้มีอะไรบ้างอิทธิบาสสี่มีหนึ่งฉันทะความยินดีสองวิริยะความขยันหมั่นเพียรสามจิตตะความจดจอ่อ สีวิมังษาความคข้ครวนนี่คือคุณธรรมสีประการที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องปฏิบัติก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์อิธิบาทสีนี้ เป็นภาษาบาลีอิทิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสาเร็จบาทคือทางอิทิบาทก็แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสาเร็จดังนั้นผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ประสบความสาเร็จได้ จำเป็นจะต้องมีฉันทะวิะริยะจิตตะวิมังสาการที่จะทำให้เกิดฉันทะความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอย่างไรก็ต้องได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ และได้บรรลุผลแล้วถ้าได้ไปสนทนาหรือได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมของท่านที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุมรผลได้ผ่านแล้วเมื่อฟังแล้วก็จะทำให้เกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมพอรู้ว่า การปฏิบัติธรรมนี้จะไม่เป็นการโมฆะและผลที่จะได้รับนั้นเป็นผลที่ดีเลิศอย่างไรก็จะรู้ได้จากผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุธรรมเท่านั้นดังนั้นการฟังธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุผลแล้ว ผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วพอเมื่อได้ฟังแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่ออย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงและเกิดฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัตินี่คือเรื่องของการสร้าง ฉันทะความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมถ้าไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จะฟังแล้วจะไม่เกิดฉันทะขึ้นมาจะไม่เกิดศรัทธาความเชื่อจะไม่มีความยินดีเพราะเหมือนกับไปปรึกษากับคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นเราอยากจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้แต่เราไม่แน่ใจว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ดีหรือไม่เราก็ต้องไปถามคนที่มีรถยนต์ยี่ห้อนี้ที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้อยู่ถามเขาว่าเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรเขาก็จะสามารถบอกเราได้อย่างถูกต้องดีเขาก็จะบอกว่าดี ไม่ดีเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเราก็จะได้รู้ชัดเจนเราก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราควรจะซื้อรถยนต์คันนี้หรือไม่แต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้ถามเขาเขาก็จะไม่สามารถบอกเราได้อย่างชัดเจน เพราะเขาเองก็ยังไม่ได้ใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้มาก่อนดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดวิริยะอันนี้ก็เป็นเพราะผู้แสดงเองนั้นไม่รู้จริงเห็นจริงไม่ไม่ได้ปฏิบัติมาเวลาพูดเวลาแสดง จึงไม่สามารถสร้างศรัทธาความเชื่อสร้างสันทะความยินดีให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกับเวลาฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงพอฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดฉันทะที่อยากจะปฏิบัติตามอย่างในสมัยพระพุทธการ หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาขอบวชตามเป็นจำนวนมากแม้แต่พระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธามีฉันทะที่จะบวชและปฏิบัติตามมีเจ้าชายที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า อยู่ถึงห้ารูปด้วยกันก็มีมีความศรัทธามีฉันทะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเจ้าชายทั้งห้านี้ก็มีพระอานอนท์อยู่รวมอยู่ด้วยหนึ่งรูปพระอนุรุท ธ, ธะพระเทวทัต นอกจากเจ้าชายทั้งห้ารูปนี้แล้วยังมีเบาคาราชบดีพานที่เป็นช่างปัดผมชื่ออุบาลีาลก็ขอตามแสดงบทตามด้วยนี่ก็เป็นเพราะว่าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้า ได้ทรงปฏิบัติมาได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติมาแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติและให้เห็นผลและได้แสดงถึงความวิเศษเลื่อนลดของผลในระดับต่างๆให้ได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดมีศรัทธามีฉันทะ ที่อยากจะได้ปฏิบัติและได้รับผลเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเรามีฉันทะแล้วพลังขับเคลื่อนข้อที่สองก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย นั่นก็คือความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความความยินดีเวลาที่เรามีความยินดีจะทําอะไรเราชอบอะไรชอบจะทําอะไรนี้ความเกียจข้ามจะไม่มีจะมีแต่ความขยันแล้วเมื่อมีความขยัน แล้วก็มีจิตตะคือใจที่จดจอ่ออยู่กับเรื่องที่เราชอบถ้าเราชอบปฏิบัติธรรมใจของเราก็จะจดจอ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าเราชอบศึกษาใจของเราก็จดจอ่ออยู่การศึกษาจดจอ่ออยู่กับการศึกษาจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติแล้ว ความคิดของเราคือวิมังสาความ่ายควรก็จะคิดอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงเรื่องการทำมาหากินไปหาลาบยศรเสริญไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะใจนี้ได้หันมาที่การปฏิบัติที่การศึกษา เพียงอย่างเดียวเพราะเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพอระพุทธเจ้านี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงพอฟังแล้วก็จะเกิดฉันทะความยินดีขึ้นมา พอ เ, เกิดความยินดีก็จะเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความจดจอ่อต่อการปฏิบัติจะค่อควรจะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วนี่คือ พลังขับเคลื่อนจิตใจไม่ว่าจะทำอะไรในทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีอิทธิบาทสี่เช่นเดียวกันในทางโลกผู้ที่จะพบกับความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีอิทธิบาทสี่เช่นผู้ที่ชอบศึกษาอยากจะได้ปริญญาขั้นสูงๆก็ต้องมีฉันทะ มีความยินดีที่จะศึกษาร่มเรียนก่อนที่จะมีความยินดีศึกษาร่มเรียนก็ต้องเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาร่มเรียนนั่นเองว่าเมื่อได้ร่มเรียนแล้วก็จะได้รับความรู้เมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำเอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตคือเป็นเครื่องมือในการ หาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาลาบยศสรรเสริญสุขได้พอรู้ว่าการศึกษามีคุณมีประโยชน์มากก็จะมีความยินดีต่อการศึกษาก็จะมีความขยันมีใจที่จดจ่อยมีใจที่คิดอยู่กับเรื่องของการศึกษาเมื่อมีความคิดอยู่การกระทํา ก็จะตามมาถ้าคิดอยู่กับเรื่องของการศึกษาก็จะกระทําเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาถ้าไปคิดถึงเรื่องการไปเที่ยวก็จะมีการกระทําตามความคิดนั้นคิดไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวกันคิดไปโรงเรียนก็จะไปโรงเรียนกันทั้งหมดนี้เกิดจากข้อที่หนึ่งคือฉันทะความยินดี ความยินดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่เรายินดีด้วยว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราให้กับสิ่งนั้นทันทีแม้แต่บุคคลที่เรารักเราชอบก็เหมือนกันถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งชอบใครสักคนหนึ่งเราจะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับเขาไปทั้งหมด เพเราคิดว่าเมื่อเราได้อยู่กับเขาได้มีเขาเราจะมีความสุขมากเราก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้อยู่กับเขาให้ให้มีเขาอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละคือฉันท่าความยินดีพวกเราถ้าต้องการที่จะ มีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมต่อการบรรลุมรรคผลนิตรานต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายพวกเราก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมของการเจริญมรรคที่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิด ผลที่เราปรารถนากันพอเราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการเจริญมรรคของการปฏิบัติเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราความภาคเพียรความสนใจความไข้ขวรความคิดก็จะคิดไปกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเมื่อเราคิดไปในทางปฏิบัติอย่างเดียว การพูดการกระทําของเราก็จะหมุนไปตามทางความคิดนั้นจะคิดเรื่องปฏิบัติจะทําเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติจะพูดเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติแล้วเมื่อพูดแล้วทำํำเมื่อได้คิดแล้วได้พูดได้ทําแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ จเจริญมรรคที่มีองค์8หรือมรรคที่มีองคศาเช่นมรรคที่มีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกประความดำหรือชอบสัมมาวาจาสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโออาชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการทะลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้หรือถ้ามรรคที่เป็นองค์สามก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา เราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องบําเพ็ญมากที่มีองค์สามคือทานศีลภาวนาถ้าเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วอยู่แบบนักบวชหรือออกบวชเราก็จะเล่นมากที่มีองค์สามคือศีลสมาธิปัญญา ไม่ต้องเจริญเนื้อมฐานเพราะว่าฐานนี้เราได้ทําไปแล้วเราได้สอบทานาทําระดับนี้ไปแล้วคือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากมีน้อยเราได้สละไปหมดถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ถ้าเอาไว้เฉพาะส่วนที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเท่านั้นแต่จะไม่มีมากไปกว่า น, นั้น ถ้าเป็นคาราวาสผู้ครองเรือนยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่มากยังมีภารกิจเกี่ยวกับการหาเงินหาทองมีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาเงินทองก็จำเป็นจะต้องยุติภารกิจนี้ให้ได้ยิจติการหาเงินหาทองเงินทองที่มีเหลืออยู่มากเกินความจำเป็นก็ แบ่งปันไปแจกจ่ายไปสละไปเพื่อจะได้มาปฏิบัติศีลและภาวนาต่อไปเพราะถ้ายัางต้องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองดูแลรักษาเงินทองอยู่ก็จะยากต่อการที่จะมารักษาศีลมาภาวนาเวลาก็จะไม่ค่อยมีใจก็จะไม่ค่อยอยากจะมา เพราะยังมีฉันทะอยู่กับเรื่องของเงินทองอยู่ดังนั้นต้องตัดเรื่องของความยินดีในเงินทองไปให้ได้เมื่อตัดความยินดีเรื่องเงินทองไปได้ก็จะได้มีความยินดีในการรักษาศีลในการภาวนาได้อย่างเต็มที่เพราะถ้ายัางมีความยินดีหาทรัพย์หาเงินหาทอง รักษาทรัพย์รักษาเงินรักษาทองใช้ทรัพย์ใช้เงินใช้ทองอยู่บางทีก็จะต้องมาขัดกับการรักษาสินได้เพราะบางทีต้องทาบาปเช่นพูดปดเพื่อที่จะหาทรัพย์มาเพิ่มหรือรักษาทรัพย์ไว้แต่ถ้าไม่มีความยินดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่าง ก็จะไม่ต้องทำบาปเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพิ่มขึ้นมาสามารถพูดไปตรงไปตรงมาได้ไม่ต้องมาโกหกนี่คือเรื่องของการเจริญมรรคสำหรับผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง จะต้องตัดไปให้ได้เรื่องสมบัติเก้าของเงินทองไม่ฉะนั้นแล้วจะมีอุปสรรคต่อการรักษาสินต่อการภาวนาอุปสรรคต่อการภาวนาก็คือจะไม่มีเวลามาภาวนาได้อย่างเต็มที่เพราะจะต้องเสียเวลากับการไปดูแลรักษาทรัพสมบัติหรือหาทรัพสมบัติมาเพิ่ม หรือใช้ทรัพสมบัติไปซื้อความสุขต่างๆด้วยเงินด้วยทองเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวน า, า, วนาก็จะมีไม่มากก็จะเป็นได้อย่างมากก็แค่ระดับมือสมัครเล่นถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเพ่นเพียงนักกีฬามือสมัครเล่นเช่น จะไปเล่นกีฬาได้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นพวกที่ชอบตีกอล์ฟต้องไปตีกอล์ฟได้ก็เฉพาะวันหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่สามารถที่จะตีได้ทุกวันผู้ที่ตีทุกวันกับผู้ที่ตีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้ความสามารถจะมีความต่างกันผู้ที่ตีทุกวันนี้จะมีความชำนาญกว่ามีความเก่งกว่า ถ้าตีแข่งขันแล้วก็จะตีได้ดีกว่าผู้ที่เป็นมือสมัครเล่นฉะนั้นใดผู้ที่ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นก็จะสู้ผู้ที่ปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ได้ผู้ทีป่ปฏิบัติมืออาชีพก็คือไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองตัด ภารกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไปได้ก็จะสามารถเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาได้อย่างตลอดเวลาทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะสามารถเจริญมัคคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะผลนี้เป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเหตุล้มลุกคุก ค, คานผลก็จะล้มลุกคุกคลานเหตุต่อเนื่องผลก็จะต่อเนื่องเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้ารดน้ำอย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถ้าลดน้ำนานๆจะลดสักครั้งหนึ่งต้นไม้ก็จะไม่ค่อยจะเจริญก้าเติบโตได้เพราะขาดน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโตนั่นเองการที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องก็จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสิ มีความยินดีต่อการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวถ้ายังมีความยินดีต่อยงต่อสิ่งอื่นเช่นเงินทองก็จะมาแย่งเวลาแย่งพลังการขับเคลื่อนของใจไปทำอย่างอื่นก็จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เมื่อไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ ต่อให้มีความปรารถนาอย่างแรงก็ขนาดไหนก็ไม่เกิดผลขึ้นมาได้เพราะความปรารถนาไม่ได้เป็นเหตุตัวเดียวเหตุเดียวที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาความปรารถนานี้ก็มีส่วนถ้าไม่มีความปรารถนาก็จะไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติแต่ถ้ามีความปรารถนาแต่ก็ยังมีความปรารถนากับเรื่องอื่นด้วย มีความปรารถนาอยู่กับหลายเรื่องความสุขทางโลกก็ยังมีความปรารถนาอยู่ความความสุขทางธรรมการบรรลุผลจากการปฏิบัติธรรมก็ยังมีความปรารถนาอยู่ก็จะต้องแบ่งกันไปก็จะกลายเป็นเหมือนกับนักกีฬาสมัครเล่นชอบเล่นกีฬาแต่ก็ชอบทำงานทำมาหากินชอบหาเงินหาทอง ชอบใช้เงินใช้ทองเพื่อหาความสุขต่างๆก็ต้องไปทํางานในวันช่วงวันเสาร์<อ>ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอวันเสาร์อาทิตย์ก็มาเล่นกีฬาก็จะได้ไม่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งสองอย่างทางโลกก็ไม่ได้สมบูรณ์ทา ง, ง, งทางทางธรรมก็จะไม่ได้สมบูรณ์ ดังนั้นต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งการที่เราจะเลือกก็ต้องฟังเทศฟังธรรมให้เห็นคุณค่าของทางทั้งสองทางว่าทางไหนมีคุณค่ามากกว่ากันถ้าฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าทางโลกนี้มีคุณค่าเพียงชั่วข่าวชั่วระยะของเวลาของชีวิตนี้ของร่างกายอันนี้เท่านั้นนะ ร่างกายนี้หมดหมดสภาพไปเมื่อไหร่หมดความสามารถไปเมื่อไหร่ความสุขต่างๆที่จะได้รับผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปแต่ความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่หมดไปกับความเสื่อมของร่างกายเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ใช้ใจเป็นผู้ปฏิบัติเป็นหลัก น่าใจก็จะไม่มีวันหมดสภาพและสิ่งที่ปฏิบัติก็สามารถที่จะนาติดตัวไปได้ถ้าเกิดต้องเสียร่างกายไปก่อนที่จะสำเร็จผลต่างๆที่ได้รับภายในใจก็ยังอยู่กับใจต่อไปและเมื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติต่อเมื่อไรก็สามารถปฏิบัติต่อได้เลย ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ถ้าได้บรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้วก็สามารถรักษาธรรมขั้นนั้นไว้ได้และสามารถปฏิบัติต่อไปจากธรรมขั้นนั้นได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ที่หนึ่งใหม่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้พิจารณาได้เปรียบเทียบถึงผลประโยชน์ของผลที่เราจะได้รับจากทางโลกและทางธรรม เราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติทางธรรมนี้จะได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่ามากกว่าและถาวรกว่าเราก็จะได้ตัดเรื่องผลประโยชน์ทางโลกไปแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติทางธรรมต่อไป พอเราทุ่มเทแล้วทีนี้การปฏิบัติก็จะต่อเนื่องเมื่อการปฏิบัติต่อเนื่องผลก็จะต่อเนื่องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนับตั้งแต่ระดับทานขึ้นไปสู่ระดับศีลขึ้นไปสู่ระดับสมาธิและระดับปัญญาจนถึงระดับวิมุตติคือการหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้น ตามลดับมาตามกาลังของการปฏิบัติดังนั้นเราจึิควรให้ความสนใจต่อาการเข้าหาผู้รู้จริง<บ>เห็นจริงผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้ได้บรรลุผลแล้วเพราะการได้ยินได้ฟังจากท่านเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนช่วยปลุกให้พลังขับเคลื่อน ในจิตใจของเราตื่นขึ้นมาช่วยทำให้เราเกิดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลขั้นต่างๆการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก แต่ต้องมีการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยถึงจะเป็นประโยชน์ถ้ามีแต่การฟังอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผลไม่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ผลเกิดจากการปฏิบัติดัางนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ ไปปฏิบัติเช่นถ้ายังอยู่ขั้นฐานอยู่ก็ต้องไปปฏิบัติขั้นฐานให้ได้พยายามทำให้เราไม่ต้องพึ่งเงินทองให้ได้ไม่ให้หาเงินทองไว้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆไม่ให้หาไม่ให้ใช้เงินทองในการใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ต่างๆให้หา ให้ใช้ให้ใช้ศีลให้ใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกในการสร้างความสุขให้กับเรานี่คือถ้ายังอยู่ขั้นทานอยู่ก็ต้องพยายามทำทานให้มากอย่าใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็พยายามรักษาศีลแปดเพิ่มขึ้นไปเมื่อรักษาศีลแปดได้ก็จะเอื้อต่อการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะการภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีเวลาถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ ก็ยังจะต้องเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้ารักษาสินแปไม่ได้ก็แสดงว่ายังมีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นั่นเองเมื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมาเจริญสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับต่อไป พอจะหมดเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกล่นงกายเช่นห า, หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหาความสุขกับการรับประทานอาหารตามความอยากอยากเวลาใดก็สามารถรับประทานได้ถ้ารักษาสี่ห้าไม่มีข้อห้ามไม่มีเวลาไม่มีปริมาณที่อยํากหนดห้าม สี่ข้อสามก็ห้ามเพียงแต่ไม่ให้ไปหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ของของตนเท่านั้นอยากจะหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆก็สามารถหาความสุขได้อยากจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไปได้ไม่มีข้อห้ามเมื่อไม่มีข้อห้ามแล้วทําไปก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาจะเจริญมสมถะภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้ามีข้อห้ามเช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้เที่ยวไม่ให้หาความสุขจาก เ, าเครื่องบันเทิงมหรศศพต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมความงาม ด้วยน้ำมันน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางด้วยเสื้อผ้าอาพอรวิจิตพิสดารต่างๆไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปคือถ้าไม่หลับนอนบนฟูกหน า, หนาบนเตียงใหญ่ๆก็จะหลับนอนไม่นานถ้านอนบนพื้นแข็งเช่นบนนอนบนพื้นไม้เวลาร่างกายได้ ได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติมรกต้องทำไปจากขั้นที่เรากำลังอยู่จากขั้นที่เรายังติดอยู่เราต้องอตัดมันไปให้ได้ ถ้าติดอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเรื่องของการหาเงินใช้เงินก็ต้องตัดมันไปถ้ายังติดอยู่กับการขันรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ต้องทาต้องรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าได้แต่ยังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาศีลแปดไปให้ได้รักษาศีลแปได้ก็ต้องไปหาที่สงบสงบัด วิเวกอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่จะคอยมาล่อใจให้ไปติดอยู่ไปเสียเวลาคือให้อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่นโลผดทปะแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามวัดที่ตั้งอยู่ตามป่าตามเขาที่มีความสงบสงัดมีความวิเวก ก็จะช่วยทำให้ใจสงบสงนัดได้และช่วยในการเจริญสติที่จะเป็นธรรมที่จะคอยควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ตามลำพังไม่มีใครมารบ ก, กวนการเจริญสติก็จะสามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีมี สิ่งต่างๆมาคอยรบ ก, กวนเช่นแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัเวลาเจริญสติก็อาจจะเผลอได้เผลอไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผธิภัที่มาสัมผัสรับรู้ใจก็จะคิดไปกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัแทนที่จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์ของการภาวนาใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะพุ่งขึ้นมาจะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาคือกาธรรมฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ได้ถือศีลแปดก็อาจจะขาดได้พอคิดถึงอาหารตกตอนเย็นก็หิวจนกระทั้งทนไม่ไหวก็ขอลาออกจากศีลแปดไปก่อนอันนี้ เพราะว่าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเช่นถือศีลแปดและอยู่บ้านอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่ได้ถือศีลแปดคนอื่นเขาก็เปิดทีวีดูเปิดเพลงฟังออกไปเที่ยวกันแต่งเนื้อแต่งตัวตอนเย็นกันรับประทานอาหารกันเรานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้ไม่นานสติก็แตก พุโทโธคำก็คิดถึงอาหารคำพุโทโธคำก็คิดถึงละครคำทาไปทำมาไม่พุโทโธแล้วขอเลิกทำไม่ได้เพราะไม่ได้ปีกวิเวกต้องเป็นจะต้องปีกวิเวกผู้ที่อยากจ ะ, จะเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจให้สงบต้องไปอยู่ในสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะมาล่อใจให้ ให้ฟุ้งขึ้นมาคือต้องอยู่ห่างไกลจากพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เัน้นไปอยู่วัดทุกคนก็จะปฏิบัติถือศีลเหมือนกันตอนเย็นแทนที่จะนั่งกินข้าวล้อมวงกันก็จะล้อมวงไหว้พระสวดมนต์กันนั่งสมาธิกันพอเลิกจากสมาธิก็แยกกันไปไปที่พักของตนไปเดินจงกรมต่อไปนั่งสมาธิต่อ หรือไปฟังเทศฟังธรรมเปิดหนังสือธรรมะอ่านสุดแท้แต่กรณีอย่างนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้ทำให้ใจได้พบกับความสุขที่เลิศที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากแสงสีเสียงจากลูกเสียงกิ่ิดลน้นพอได้รับความสุขนี้แล้วทีนี้ก็จะไม่หวนไหว ความสุขทางตาหูจะูกร่ากายถ้ามีความสุขนี้มากๆอยู่ในใจแล้วต่อให้เห็นคนนั่งกินข้าวต่อหน้าก็จะไม่รู้สึกเดือร้อนต่อให้เขาเอาอะไรมาให้ดูให้ฟังก็จะไม่รู้สึกยินดีเพราะว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้รับจากการทําใจให้สงบไม่ได้นั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราต้อง ทำให้ได้คือสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ให้ได้เราจึงต้องทําทานฉลาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต้องรักษาศีลแปดต้องปลีกเว้เว้ต้องไปอยู่ตามนมพังอยู่คนเดียวถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนก็จะไม่คลุกคลีกันจะคลุกคลีก็เฉพาะเวลาที่ต้องทําภารกิจร่วมกันเช่น เวลามีภารกิจเช่นทำความสะอาดกวาดถูลานวัดอะไรต่างๆหรือมาร่วมรับประทานอาหารทำกิจกรรมอะไรก็มาร่วมกันแต่เวลามาร่วมกันก็ต้องสำรวมตาหูจมูกรินกายสำรวมวาจาไม่พูดกันไม่คุยกันต่างคนต่างมีสติอยู่กับการทำภารกิจของตน รับประทานอาหารก็รับประทานไปเสร็จแล้วเก็บกวาดล้างถ้วยล้างชามก็ทํากันไปไม่คุยกันใจจดจอ่ออยู่กับภารกิจการงานที่ต้องทําเพียงอย่างเดียวเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปอยู่ตามที่พักของตนไปเจริญสติไปทาใจให้สงบให้มีความสงบ ม, ม, มีความสุขที่เกิดจากความสงบเพื่อจะได้ต้านแรงความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจะบุกลิ้นกายถ้าสามารถรักษาหรือสร้างความสุขทางใจให้มีได้อย่างต่อเนื่องความอยากที่จะหาความสุขทางทางร่างกายก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์และเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วความอยากนี้แหละที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเพราะยังต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แต่ถ้าได้ปฏิบัติจนได้พบกับความสุขทางใจที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสงบความสุขทางร่างกายแล้วก็จะไม่รารถนา ที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากเพียงอย่างเดียวก็คืออยากให้ใจสงบก็จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องทำใจให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดตรุงแต่งไม่ให้คิดตรุงแต่งได้หยุดความคิดตรุงแต่งได้ให้เหลือแต่สักแต่รู้ หรือแต่อุเบกขาหรือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะบรรลุผลที่ปรารถนากันคือบรรลุมรผลนิพานขั้นต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำลายความอยากทั้งสามส่วนคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลปรธภะที่เรียกว่ากามรตัานหาความอยากมีอยากเป็น ที่เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดที่การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วถ้าได้พบกับบุคคลเหล่านั้นก็เท่ากับได้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้เจอ บุคคลเหล่านั้นก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็ยังเป็นเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าอยู่ดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าพวกเธอจะไม่อยู่อย่างปร า, าศจากศาสดาเพราะธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นาศาสดาแทนพวกเธอต่อไป กานศึกษาจากาพระคมพี์นี้ก็ยังสามารถสร้างให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาได้แต่อาจจะไม่ง่ายเหมือนกับได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้สำเร็จได้ปฏิบัติบรรลุเพราะว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ก็ต้องเหมือนกับทากับข้าวเองต้องอ่าน วิธีทำกับข้าวแล้วก็เอามาทาเองถึงจะได้รับประทานแต่ถ้าได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วได้สำเร็จแล้วก็เหมือนกับท่านจะทำอาหารให้เราสำเร็จเรียบร้อยเราเพียงแต่ตักอาหารเข้าปากเท่านั้นง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองทางถ้าไม่มีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสั่งสอนเรา เราก็ต้องกลับไปหาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้อาจจะต้องเสียเวลามาประกอบอาหารกันเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนี้มีหลากหลายเราก็ไม่รู้ว่าจะหยิบข้อไหนขึ้นมามก็อาจจะต้องอ่านมันเกือบทุกข้อไปถึงจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็อาจจะมีความเนื่อช้าได้ แต่ถ้ามีผู้ที่สาเร็จแล้วบรรลุแล้วมาสั่งมาสอนนี้ท่านก็จะได้หยิบอาหารมาให้เราเลยนี่คืออาหารเอาไปกินเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเราเพิ่งทำเสร็จมาสดๆร้อนๆนี่เองแบ่งให้กินได้เลยนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริง ที่จะทําให้เกิดอิทธิบาทสพลังขับเคลื่อนจิตใจให้สามารถปฏิบัติให้สามารถเจริญมรรคที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้มันเป็นจะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเหมือนกับรถยนต์ก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้องไปจอดเติมน้ํามันก่อนถ้ารถไม่มีน้ํามันก็วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ สันดจิตใจถ้าไม่มีอิทธิบาทสีก็จะไม่สามารถจเจริญ ม, มากที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็จำเป็นจะต้องเติมน้ำมันก่อนด้วยการแวะตามสถานีบริการคือการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรร ม, มะต่างที่ออกมาจากผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วก็จะทำให้เกิดมีพลังขับเคลื่อนจิตใจ ให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมให้มีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติธรรมให้มีความใจสนใจจดจอ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมให้มีแต่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อมีแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปอย่างง่ายด้และผลก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว นี่คือขั้นตอนต่างๆในการดำเนินถ้าเราปรารถนาที่จ ะ, จะเจริญรอยของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคือบรรลุถึงพระนิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องดำเนินตามขั้นตอนเหล่านี้การแสดงก็ พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทินางเปตานางังอุปกาปติอิจิตังปัฏิตังตุมหังคิปเะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทาสพีติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิทิคาโยโภพวะ อาพิวาทานสีริสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวะทานติอายุวันโสุขังภาลังต่อไปนี้ถ้าใครมีคำถาม อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้มีไมโครโฟนด้วยเวลาจะถามคำถามขอให้พูดผ่านไมโครโฟนเพื่อผู้ที่อยู่ไกลจะได้ยินเสียงคำถามถามได้ไม่ต้องอายหรอกกลาวนมาสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะขอาการเรียนถามวิธีการปฏิบัติอะค่ะตอนนี้คือดูลมหายใจแล้วอยู่บางทีก็เพ่งอยู่อ่าว วางไว้ที่ลมหายใจตรงปลายจมูกหรือบางทีเขาไว้ที่ทรงอกนะคะออแตใ่ในบางครั้งที่ปฏิบัติเราก็จะอยู่กับที่นิ่งๆเคยเคยกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องปฏิบัติเรื่องนี้ก็เลยวางไม่ย้ายที่ไปไหนคราวนี้เนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าอาจจะสมาธิยังไม่แน่นมากเรารู้สึกว่าหน้าบางครั้งเราก้มหรือบางครั้งเนี่ยมันเงยขึ้นคําถามคือเราควรจะปรับหน้าให้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมหรือเราควรปล่อยไปแล้วดูจุดๆุดเดียวไปดีคะ่ะควรอยู่กับ งานอย่างเดียวถ้าดูลมก็ให้อยู่กับการดูลมเพียงอย่างเดียวเวลาเราเริ่มต้นก่อนที่เราจะนั่งเราก็ตั้งตั้งท่าให้ดีตั้งหน้าตั้งตาเราให้ดีแล้วเราก็ให้ความสนใจอยู่กับการดูลมของเราอย่างเดียวอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นถึงแม้จะรู้สึกว่าหน้าจะก้มไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ก็อย่าไปสนใจไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถ้าเราไม่อยู่กับงานที่เรากำหนดไว้ผลก็จะไม่เกิดถ้าเรามามัวแต่กังวลกับท่านั่งของเราบางท่านนั่งแล้วรู้สึกว่าจะเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปขวาบ้างก็ปรับมันปรับปับเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเอ้าเอ็นมากไปแล้วปรับกลับมาใหม่ปรับไปปรับมาก็เลยไม่ได้นั่งภาวนา ได้แต่นั่งปรับท่าอยู่นั่นดะงนั้นเวลานั่งภาวนาแล้วตั้งท่าแล้วก็จบอย่าไปสนใจนอกจากมันลม้ลมลงไปจริงๆทงนั้นถึงค่อยลุกขึ้นมาตั้งใหม่ถ้ามันคิดว่ามันเอ็นไปซ้ายขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังก็ช่างหัวเมันขอให้เราอยู่กับลมอยู่กับงานที่เรากําหนดไว้ถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวเอางานนี้เป็นหลัก ส่วนอย่างอื่นนี้ไม่ต้องไปสนใจค่ะออบาง ท, ท, ท, ทีที่แต่ว่าจิตมันคงปรุงแต่งไปเองเพราะบางทีก้มหน้าเราจะเริ่มกลักวเออเราหายใจไม่สะดวกหรือเปล่านี่มันปรุงไปเอ ง, องใช่มคะมันก็ปรุงแต่งไปเองเออมันจะหลอกล่อให้เราเผลอสติให้ได้เราต้องคอยสังเกตว่าเรากำลังควบคุมความคิดได้หรือเปล่าเพราะการดูลมนี่ก็เพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พอคิดถึงถ้ามันก็ไปแล้วแสดงว่าไม่ได้อยู่กับงานที่เราทําแล้วพอคิดปั๊บมันก็ปรุงแต่งต่อดองนั้นเราต้องระวังเล่ห์กลของกิเลสมันจะหลอกให้เราคิดอยู่ได้เรื่อยเราต้องรู้ว่าการนั่งของเรานี้เป้าหมายก็คือไม่ให้คิดหรือให้คิดให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําหนดให้มันคิดเพียงเรื่องเดียว เช่นถ้าดูลมก็ให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกคิดแค่นี้พอหรือถ้าคิดพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธเพยียงอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าร่างกายซ้ายหริอเองไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะหลอกล่อให้เราคิดยาวไปเลยแล้วนั่งไปแล้วผลก็จะไม่เกิดขึ้นมา สาเหตุที่เรายัางคิดอยู่ในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากำลังของสติของเรายัางมีน้อย<ม>เราเจริญสติไม่มากพอันั้นเราต้องพยายามเจริญสติเวลาที่เราไม่ได้นั่ง<ม>ควรเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนถึงเวลาเราหลับเลย<ม>พยายามคอยควบคุมความคิดให้มันคิดให้น้อยที่สุด<ม>ให้มันอยู่กับการบริกรรมพุทโธไป หรือให้มันอยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดเวลาถ้าเราต้องคิดเราก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวถ้าต้องคิดถึงเรื่องการงานที่เรากำลังทำอยู่ก็หยุดพุโทโธไปหรือถ้าเราเฝ้าดูร่างกายเราก็เฝ้าดูร่างกายไปอย่าให้คิดเรื่องอื่นแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะไม่ลอยไปลอยมา ให้มันทำงานนะมันก็จะทำงานที่เรากําหนดให้มันทำให้ดูลมมันก็จะดูลมให้บริกรรมพุทธโธมันก็จะบริกรรมพุทธโธถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะสงบได้ขอบคุณค่ ะ, ะมีกายถางต่อนยไม่มีคุณาทางนี้ คืออ่านหนังสือตรงที่ปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดขณะที่อ่านมันมีความรู้สึกเสียดายแยบออกมาค่ะกาจะเสียดายอะไรเสียดายที่ไม่ได้มาเกิดเหรอยังอยากเกิดอีกเหรอมันแยบออกมาเองก็ต้องแยบกลับเลยใช่ไหมเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังอยากจะแก่ยังอยากจะเจ็บยังอยากจะตายอยู่เหรอ มันมันยับมาเราก็ต้องยับกลับไปต้องยับทันทีใช่ไหมครับถ้ามีถ้ามีก็ต้องถ้ามีปัญญาก็ยับเสิถ้าไม่มีก็ถูกเขานอกเขาถ้าไม่ไม่ยับกลับไปเดี๋ยวก็ยังอยากจะกลับมาเกิดก็อย่างงี้คุณไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วเดี๋ยวไม่ได้เกิดไม่ได้ดูหนังไม่ฟังเพลงก็เลิกนั่งไปเพราะยังอยากจะกลับมาเกิดอยู่แต่ถ้ามีปัญญามันก็จยับกลับไปกลับมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะ มาทุกอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันที่อยู่เนี่ยมันสุขแล้ว ม, มันทุกข์กันแน่ะนะนะต้องพยายามเจริญปัญญาไว้เรื่อยๆไว้คอยต่อสู้กับกิเลสที่มันจะมาคอยหลอกล่อให้เราหลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเนีนะ่ยพวกเรามักจะลืมความแก่ความเจ็บความตายกันมักจะลืมความทุกข์กันถึงแม้ว่าเขาจะทุกษ์แสนสาหาัส ทุกกบแฟนเก่าไปแทบเป็นแทบตายพอเจอแฟนใหม่ก็ลืมแลอยากจะได้แฟนใหม่ขึ้นใหม่เลืมง่ายเรื่องของความทุกข์นี้เราลืมง่ายพระอาจารย์ถึงสอนว่าให้พิจารณาทุกขอยู่เรื่อยทุกคือการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคือเตือนสติให้ให้เรารู้ว่าถ้าเกิดมาแล้วจะต้องมาเจอแต่ความทุกข์เรื่องของความทุกข์คนเราส่วนใหญ่เวลาเกิดขึ้นมาก็จะนึกถึงความสุขต่างๆเช่นเวลาได้ลูกมานี่ก็ฝันแล้วต่อไปลูกจะต้องดีต้องสวยต้องรอต้องเรียนเก่งต้องหาเงินเก่งต้องร่ำต้องรวยต้องเป็นใหญ่เป็นโต จะมองแต่ความสุขไม่เคยมองเลยว่าลูกไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่คิดกันมันก็เลยทำให้หลงยินดีกับการเกิดพระพุทธเจ้าถึงสงสอนในอริยสัจสี่ปิดในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกทุกต้องศึกษาต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อย ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดาน่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นธรรมดา ถ้ามันรู้อย่างนี้มันก็ไม่กลับมาเกิดดีกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าพอออกจากพระราชวังไปไปเห็นเทวทูตสี่ทนนั้นก็เลยใจเลยหดเลยไม่อยากจะเกิดเลยเห็นคนแก่เห็นตัวเองจะต้องแก่แบบนั้นเห็นคนเจ็บเห็นตัวเองจะต้องเจ็บแบบนั้นเห็นคนตายเห็นตัวเองจะต้องตายแบบนั้นเห็นพระผู้ที่แสวงหาการไม่กลับมาเกิด ก็เลยทำให้อยากจะไปเป็นพระขึ้นมานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเราลึกถึงความทุกข์อยู่เรื่อยๆคิดถึงความทุกข์อยู่เรื่อยๆมันจะทำให้เราเบื่อหน่ายกับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีไหมหมอ <Thank you. S 1> มีกายะฐานหรื อ, ปอเปล่าไม่มีเอามาทางอินเทอร์เน็ต ครต่อไปเป็นคําถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับคําถามข้อแรกจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับข้อที่1การปฏบิบัติบางครั้งก็ใช้คําบริกรรมพุทโธบางครั้งก็ใช้ไม่ได้คือสติไม่มีดูไปดูลมหายใจแทนบางทีก็ดูลมหายใจพร้อมกับมีคําบริกรรมพุทโธกํากับไปด้วยเอาไปเอามาก็เกิดความสงสัย พร้อมกับความไม่แน่ใจขึ้นคือบางทีใช้คำบริกรรมพุทโธแล้วเกิดอึดอัดหายใจไม่สะดวกเพราะเมื่อครั้งเริ่มฝึกหัดเมื่อสามปีก่อนจะใช้วิธีดูลมหายใจและมีคำบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยต่อมาอยากเปลี่ยนแบบใหม่เพราะคิดว่าที่ทำไปไม่ได้ผลตอนนี้เลยรู้สึกว่าเป็นคนจับจดหาหลักอะไรไม่ได้เลย กลับไปกลับมาจึงอยากเรียนถามว่าถูกจริตนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริตเราเหมาะสมกับเราเป็นแบบไหนคือประเด็นสำคัญนี้มันไม่ได้อยู่ที่จริตประเด็นสำคัญอยู่ที่สติมีหรือไม่มีถ้าไม่มีสติต่อให้มันถูกจริตมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีฉะนั้นเราต้องอย่าไปโทษเรื่องจริตเป็นหลังให้ โทษเรื่องสติเป็นหลังว่าเรามีสติน้อยไปเราเจริญสติน้อยไปเรามาเจริญสติเฉพาะเวลาที่เรานั่งนี่มันไม่พอเราต้องเจริญสติก่อนต้องเจริญอยู่เรื่อยๆทั้งวันตลอดระยะเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี่ควรจะเจริญสติไปได้เรื่อยถ้าเรามีสติแล้วเรื่องเจริญนี้มันจะรู้เองว่าเราทำแบบไหนแล้วเรา รู้สึกสบายกับแบบนั้นอันนั้นก็จะถูกจริตกับเราเราทำแบบไหนแล้วมันไม่สบายมันขัดขัดอยู่เราก็จะรู้ว่ามันไม่ถูกจริญกับเรา<ม>แต่เรื่องจริตนี้มันมาทีหลังเรื่องที่มาก่อนก็คือเรื่องของสติถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ทำอะไรมันก็ขัดไปหมดเ<ม>พราะมันไม่มีสติฉะนั<ม>้นอย่าไปโทษเรื่องจริญ<ม>ให้ไปโทษเรื่องสติการไม่มีสติ ถ้าเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาเ <ivot> ช่นตื่นขึ้นมานี่ใจไม่ไปไหนได้อยู่กับร่างกายอยู่ตั้งแต่ตอนที่ลืมตาขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ําก็ยังอยู่กับร่างกายอยู่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวก็ยังอยู่กับร่างกายอยู่ยังไม่ได้ไปที่สํานักงานยังไม่ได้ไปที่นั่นที่นี่ยังอยู่กับร่างกายอยู่อันนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติถ้ามีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลา หรือจะมีสติอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาอันนี้เวลาไปนั่งจะใช้แบบไหนก็ได้สงบได้ทั้งนั้นดังนั้นตัวสําคัญไม่ใช่ตัวจริตตัวสําคัญอยู่ที่สติจริตนี้มันอยู่ที่เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาต่างหากเช่นเกิดความาถ้าเกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้กรรมฐานที่ถูกกับกาม ที่จะมาแก้กามอารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะพิจารณาอสุภะกำหนดดูอาการ32สิบสองกำหนดดูซากศพดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็จะเกิดมันก็จะดับทำใจให้สงบได้อ น, นี้ที่เรียกว่าจริตจริตนี้อยู่ที่เวลาเกิดจริตต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดโทสะขึ้นมานี้ก็ต้องใช้เมตตาภาวนามาแก้กัน ถ้าเกิดความเสื่อมศรัท ธ, ธ า, เ, าเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับการปฏิบัติก็ให้เราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นม า, าถ้าเกิดความประมาทเกียรติ้างก็ให้นึกถึงความตายขึ้นมาจะเลยมอนานุสติแล้วมันก็จะปลุกความขี้เกียจความเลวต่างๆขึ้นให้มันหายไปทําลายมันปลูกความขยันขึ้นมาเพราะถ้าเรา ไม่รีบทำเดี๋ยวเราตายไปเราจะไม่มีเวลาทำวันนึกถึงความตายอันนี้ถึงเรียกว่าจริญจริตมันต้องมีเหตุเช่นตอนนี้จิตของเรากฟุ้งอยู่กับเรื่องอะไรฟุ้งกับเรื่องกามารมณ์มันก็ต้องใช้อสุภะถึงจะถูกจริญกันฟุ้งกับความโกรธนีก็ต้องใช้ความเมตตาให้ะภยัยไม่จองเวรมามากบมันมาดับมันนี่ความหมายของจริตเนื้ แต่ตัวหลักจริงๆแล้วก็คือตัวสติถ้าไม่มีสติใช้แบบไหนก็ใช้ไม่ได้ทางนั้นเหมือนคนเมาเหล้าเนี่ยใช้มันไปทำงานให้ไปทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ทางนั้นคนเมาไม่มีสติต้องให้เ้าสั่งเมาก่อนถ้าเป็นคนขับรถก็ให้เขานอนพักก่อนอย่าให้เขาขับรถตอนที่เขาเมาเดี๋ยวก็พาตกเหวตกตกบอ่อตกหลุมอะไรไป อันใดจิตของเราก็อย่างนั้นเหมือนคนเมายังไม่มีสติไม่มีกําลังพอที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นได้ให้อยู่กับเรื่องเดียวได้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้พอให้ตั้งให้ทํางานที่นนี้อยู่ได้สองคาก็ไปแล้วบริกรรมพุทโธได้สองคาก็ไปและเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงตกลงมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าผีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันจะไปทันทีเลยพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อย เพราะไม่มีสติถ้ามีสติอะไรจะเกิดก็พุโทโธพุโทโธต่อไปไม่สนใจจิงจกจะติกจิก ๆ, ๆิกจะมาทักว่านู่นว่านี่ก็ไม่ปรุงแต่งว่าไอเข้ามาทักอะไรเราหรือเปล่าจิตมันชอบพรุงแต่งพอมีอะไรมาสะกิดหน่อยมันไปกับเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีสติดึงมันไว้งั้นขอให้เราพุ่งเป้าไปที่สติเป็นหลัก ปัญหาของการที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การไม่มีสตินั้นเพราะเราเจริญสติน้อยไปเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราต้องเจริญสติมากกว่านี้เราคิดว่าเพียงแต่เวลาจะมานั่งก็ค่อยมาเจริญสติตอนนั้นไม่ทันการเพราะว่านั่งไปเดียวเดียวมันก็เจ็บปวดเมื่อยมันก็ไม่อยากจะนั่งแล้วบางทีไม่ทันนั่งก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาในใจแล้ว มันเป็นเรื่องของกิเลสดันั้นพอให้ไปนั่งดูหนังดูละครนั่งเป็นชั่วโงไม่รู้สึกเกิดอัดเลยพอมาให้นั่งดูลมปัสมันอึดขึ้นมามันอัดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสเพราะไม่มีสติอคอยกันมันไว้ถ้ามีสติแล้วกิเลสมันจะไม่ค่อยมีกำลังที่จะมาสร้างปัญหาให้กับเราได้งนั้นขอให้เราฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ อาให้มันเป็นนิสัยให้ได้เลื่อมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตั้งสติก่อนจะตั้งอยู่ที่ร่างกายก็ได้ตั้งอยู่ที่พุโทโธก็ได้ตั้งอยู่ที่อะไรก็ได้มีตั้งสี่สิบชนิดที่เราตั้งได้จะตั้งอยู่ที่มาณานุสติก็ได้แต่เงื่อนมาก็ น, นึกถึงความตายแล้วเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายเช้าตายกลางวันหรือตายเย็นก็ไม่รู้ทุกวันนี้มีคนตายอยู่ตลอดเวลานะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ เราคิดว่าเขายังจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราคิดของความตายอยู่เรื่อยๆใจมันก็จะหดเข้ามาข้างในมันจะไม่ออกไปตามกำาำกำลังของตันหาความอยากมันจะหดบอกไม่รู้จะหาอะไรทําอะไรไปทําไมถ้าเกิดต้องตายวันนี้แล้วหาไปทําไมหาไปแล้วก็เป็นของคนอื่นไปสู้หาของที่เป็นของเราไม่ดีกว่านธรรมะไม่ดีกว่า หาความสงบไม่ดีกว่าหาสติไม่ดีกว่าเลยมันก็จะคิดกลับเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะมีสติมันก็จะให้มีฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติทรรมสร้างธรรมะขึ้นมาดีกว่าธรรมะเราเอาติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความสุขทางโลกนี้เราเอาติดตัวไปกับร่างกายไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ใจไปได้ไปไป เอาแต่ใจกับธรรมะที่ได้ทําไว้ไปได้เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เท่านั้นยันขอให้ตั้งสติไว้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยขอให้ถือภารกิจหลักของเราคือการเจริญสติไม่ใช่การหาเงินหาทรัพย์หาความสุขทางโลกไม่ใช่การดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินขอบเขตดูแลมันไปตามตามธรรมชาติก็พอ อาหน้ามาบท่าให้มันให้อาหารหมันกินพอมันอยู่ได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากนะให้มาวุ่นวายกับการเจริญสติดีกว่าพยายามดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้ใจตั้งมั่นไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งแต่ เ, เรื่องราวต่างๆในเวลาเจริญสติขอให้จำไว้ว่าเราเจริญสติเพื่อระงรับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดด้วยเปลือย ไม่คิดเลยเถิดคิดไปจนฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าไม่มีสติให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากําหนดไว้แล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเวลานั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้ข้อที่สองนะครับหากเรามีความกําหนัดมากจะกแก้ไขด้วยวิธีใดรู้สึกว่าการต่อสู้กับ ปัญหาราคะนี้ยากเหลือเกินเหมือนกับว่าเอาไม้ไปตีรังพึ่งแล้วมันเกิดมโหอย่างมากคือยิ่งเราตั้งหน้าตั้งตาเอาชนะมันมันก็ยิ่งแสดงอาการรุนแรงมากขึ้นก็ต้องเจริญสุภาู่เรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถเจริญภายในใจได้ก็หารูปปัสสุภามานั่งดูนั่งเพ่งดูเวลาเกิดคนที่เกิดการอารมณ์ก็เกิดอย่างไรก็เปิดโดยดูภาพโป๊กันใช่ไหม ถ้าอยากจะดับการมาหลมก็เปิดภาพอสุภะดูปไปเลยมันก็จะมันก็จะดับได้ไปดูภาพที่ก็พผ่าร่างกายออกมาชันสูตรร่างกายเห็นอวัยวะต่างๆหรือไปดูซากศพดูเวลาคนตายแล้วสวยงามไหมน่ารักหน้าพิศวาสไหไม่ดูภาพที่มันทำให้มันดับมันก็ไม่ดับสิ ให้นึกถึงภาพที่ทําให้มันเกิดมันก็จะเกิดก็มีเท่านี้แหละเราต้องใช้เหตุใช้ผลไฟมันเกิดจากอะไรเกิดจากไม้ขีดที่เราจุดเข้าไปในกองไฟถ้าไฟแล้วไฟมันดับด้วยอะมันดับด้วยน้ำํำเราก็เทน้ําลงไปเวลาไฟเกิดลุกขึ้นมาแล้วก็หาน้ํามาดับมันไปเวลาเกิดการมาลมล้วก็หาอสุภะมาดับมันถ้าไม่เอาอสุภะมันไม่ดับหรอก คำถามข้อต่อไปจากคุณโนมีบุทธวัจนะนะครับเป็นคำถามยาวจึงขอย่อเฉพาะใจความสาคัญนะครับการเป็นคารวาตต้องรับผิดชอบหน้าที่ทางโลกแต่ก็ได้พยายามที่จะเดินตามมัชระมัดระวังในเรื่องศีลห้าและบางโอกาสจะรักษาศีลแปตามแต่จะเอื้ออำนวยและภาวนาเป็นประจำแต่เนื่องจากที่บ้านอยู่อาศัยเป็นบ้านจัดสรร มีปัญหาในเรื่องปวกซึ่งคิดว่าไม่ไหวค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมค่อนข้างแพงโยมจึงตัดสินใจทำสัญญาว่าจ้างบริการป้องกันเป็นรายปีทำให้โยมมีความกังวลจึงขอกล่าบเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรที่จะผ่อนปนในเรื่องนี้บ้างโยมไม่มีเจตนาที่จะทำลายแต่มีเจตนาและตั้งจิตว่าขอปกป้องบ้าน ไว้เป็นที่อยู่อาศัยและทําความเพียรและทุกครั้งที่บริการจะมาให้เบิการรายเดือนโยมมักจะตั้งจิตบอกกล่าวว่าพวกปวกที่วนเวียนอยู่ในสถานที่นี้ก็ให้ขยับขยายไปเสียพรุ่งนี้จะมีหมอมาฉีดยาพวกเจ้าอาจจะได้รับอันตรายให้หลบไปเสียต่างคนต่างอยู่อย่ามารบกวนกันเลย ทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแนะ่ะถ้าไม่อยากจะรับผลก็อย่าทำกรรมนั้นไปอยู่ตจะมาขอขอไม่ให้เกิดผลไม่ได้หรอก mm hmm. กดแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นจากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะรับผลจากการฆ่าปลวกก็ปล่อยให้ปลวกมันกินบ้านไป mm hmm. หาหาที่อยู่ใหม่ขายบ้านหลังนี้ไปแล้วเวลาสร้างบ้านใหม่ก็หาวิธีป้องกันไว้อย่าให้ปลวกขึ้นใช้วัสดุที่ปลวกกินไม่ได้ถ้าอยากจะไม่รับไม่ต้องการจะรับผลจากการทำบาปก็อย่าทำบาปเท่านั้นจะมานั่งวิงวอนให้เขาหลไปหลีกไปเขาจะไปรู้ว่าอย่างเราพวกเราเราจะไปรู้หรือว่าจะมีใครมาทำลายเรา เราก็อยู่ตามภาษาของเราไปก่อนที่เขาจะทำลายเราเขาจะมาบอกเราล่วงหน้าว่าอย่ามาอยู่ตรงนี้นะวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีระเบิดตรงนี้เขาไม่มาบอกเราหถ้าบอกเร า, าเขาก็ระเบิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเลือกเอาแล้วว่าจะเอาอะไรทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นจะเอาบ้านแต่จะทำบาปมันก็ได้ผลบาปได้บ้านได้บ้านได้ผลบาป ถ้าไม่อยากจะได้ผลบาปผลบาปยอมเสียบ้านก็อย่าทำบาปปล่อยให้ปวกมันกินบ้านไปขายบ้านไปใช่ไหให้คนที่เขาไม่กลัวบาป้ามาจัดการมันเองคำถามข้อต่อไปจากคุณหลิ น, ห, ลนหุยหยมิงนะครับอยากก่าเปรียนถามพระอาจารย์ว่าพระกรรมฐานหรือพระสายป่าคิดเห็นอย่างไร กับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจําพวกพักเครื่องหรือเครื่องรางของขังถ้าหากตัวผู้บูชาไร้ซึ่งจิตใจฝักฝ่ทำพราหมณ์ภาพที่เชื่อนั้นจะเกิดหรือไม่มันเป็นของไร้สาระทั้งนั้นนะมันเป็นตุ๊กตาหลอกหลอกเด็กจิตที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนเด็กให้ตุ๊กตาเด็กเด็กเอาไปเล่นก็ดีออกดีใจคิด ต่างๆนานากับตุ๊กาตาความจริงมันก็เป็นแค่าตาุ๊กตาแต่หนึ่นเงเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมันไม่มีพาราะพวพารานุภาพอะไรในในวัตถุเหล่านั้นเพราะ้พระสายปฏิบัตินี้ท่านไม่สนใจเรื่องวัตถุมงคลต่างๆท่านสนใจอยู่กับกรรมอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึง ตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติแต่กรรมดีคือเจริญสีมสมาธิปัญญาที่เป็นทางไปสู่ความมงคลอย่างแท้จริงนอกนั้นแล้วไม่มีนอกนั้นเป็นของปลอมของหลอกทั้งนั้นของจริงของแท้อยู่ที่กรรมคือการกระทำดีคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นถึงจะได้สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆแต่ก็ไม่ต้องไปประมาทไม่ไม่ต้องไปอะไรลบลูใครจะเชื่อก็ปล่อยก็เชื่อไปใครก็จะให้มาก็รับไว้ขอบอกขอบใจอนุโมทนาว่ากันไปเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่สมควรก็พอเห็นไหมฝรั่งมันตัดเสียน้ำไป ตั้งเป็นอ่เป็นของประดับในบ้านมันเห็นไมไม่เห็นมันตายเลยไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นกับมันมันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่า น, นั้นเองเพียงแต่ว่ามีความหมายต่อผู้ที่อ่รู้ความหมายของวัตถุชิ้นนั้นการมีพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องไทอันตรายต่างๆเพราะปกป้องไม่ได้ พระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เรา ล, ลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นเองไม่ได้มีความวิเศษวิเสอะไรมากไปกว่านั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่มีพระรูปหนึ่งท่านมีความศรัทธานในพระพุทธเจ้ามากถึงกับแกะสลักพระรูปของพระพุทธเจ้ามาถวาย พระเจะาบอกนี้ไม่ใช่เราเธอเอาไปทิ้งเถิดนเราคือใครเราก็คือผู้เราคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นถ้าเธออยากจะเห็นเราก็ให้เธอปฏิบัติจนปรากฏธรรมขึ้นมาภายในใจของเธอเถิดแล้วเธอจะมีเราอยู่กับเธอไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดและธรรมนี่แหละที่จะปกป้องเธอรักษาจิตใจของเธอ ให้แค่ค่าจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้แต่ไม้แกะสลับที่นี้มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สามารถที่จะปกป้องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจได้ดังนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องวัตถุต่างๆแต่ก็ไม่ต้องไปลบหลู่รับบางรูปท่านถึงกับลบหลู่พระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่สมควรเพราะว่ามันเป็นการทําลายจิตใจของผู้ที่เขายังหลงยังมีความเข้าลบอยู่ ถึงแม้ตนเองจะคิดว่าไม่ใช่มีความสาคัญอะไรก็ไม่ควรที่จะไปไปลบหลู่ไปทําลายศรัทธาแต่บอกสอนได้ว่าพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่ออะไรให้เข้าใจความหมายของการมีพระพุทธรูปที่ถูกต้องอก็จะเป็นประโยชน์ได้ถ้าทุกครั้งที่เราเห็นพระพุทธรูปแล้วทำให้เราอยากจะทําบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ดี ดีก็ไม่มีพระพุทธรูปแต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปแล้วคิดว่าโอ้ยเราจะปลอดภัยเราจะไม่แก่จะไม่เจ็บไม่ตายขโมยจะไม่ขึ้นบ้านธามาค้าขายจะไม่ล่มจมอันนี้ก็เป็นความหลงเพราะมันขัดกับหลักของความจริงความจริงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงนั่นเองอนัตตาก็คือไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไป ทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นไปธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปไม่มีใครมายับยั้งความจริงอันนี้ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคำถามข้อต่อไปจากคุณทิติพานะครับ จะทำสมาธิพอเริ่มหลับตาจิตก็เริ่มเที่ยวรอบโลกมีวิธีใดบ้างที่จะจับจิตให้นิ่งเข้าสมาธิได้ก็ต้องให้มันอย่าเที่ยวตั้งแต่มันยังไม่หลับตาสิมันเที่ยวตั้งแต่มันยังไม่หลับตาพอหลับตามันก็เที่ยวต่อแต่ก็ต้องหยุดมันก็ต้องจเจริญสติต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องหยุดมันก่อน พอหยุดมันได้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบได้ก็อย่างที่ตอบทุกวันเนี่ยปัญหาที่นั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลก็เพราะไม่มีสติกันเห็นถึงต้องเน้นอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่เรื่อยๆว่าธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสติเพราะสติเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายนั่นเองไม่มีสตกสิก็สมาธิก็เกิดไม่ได้ไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้ ไม่มีปัญญาก็วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้บรรลุมั่งผลนี่ผานไม่ได้งั้นทุกอย่างกลับมาที่สติเหมือนกับการเรียนหนังสือนี่แหละถ้าท่องกอไก่คอไข่ไม่เป็นก็เรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้ต้องท่องกอไก่คอไข่ให้ได้ก่อนพอรู้จักกอไก่คอไข่แล้วก็ต้องมารู้จักวิธีผสมสาระาสาระาสารอิไปเมื่อรู้จักการผสมแล้วก็จะได้รู้จักความหมายของ แต่ละคำว่ามีความหมายอย่างไรพอรู้แล้วทีนี้ก็จะอ่านออกเขียนได้สื่อภาษาได้ด้วยการเขียนได้ด้วยการอ่านได้อันนี้ก็เหมือนกันสตินี้เหมือนกอไก่ขอไขของการปฏิบัติถ้าจะเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มที่กอไก่ขอไขถ้าจะภาวนาก็ต้องเริ่มต้นที่สติสติเป็นธรรมที่สําคัญอย่างมากที่มักจะถูกมองข้ามไป บางคนข่ามไปถึงปัญญาเลยสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีเอาปัญญาเลยปัญญาก็เลยกลายเป็นความหลงไปเป็นวิปัสสนาไปคิดนูน่นคิดนี่ก็บรรลุเป็นขั้นนูน้นขั้นนี้ไปแล้วโดยที่ไม่ต้องทําอะไรพราคิดว่าในสมัยพระพุทธการฟังธรรมก็บรรลุได้เราไม่ต้องฟังธรรมแล้วอ่านหนังสือธรรมะของพระเจ้าก็ต้องบรรลุได้เหมือนกันเพราะอ่านไปปั๊บแปลความหมาย เข้าใจความหมายก็โอ้ตอนนี้เราก็เป็นโสดาแล้วนี่ตอนนี้เราก็เป็นสกิดาคามีแล้วนี่ตอนนี้เราก็เป็นอนาคามีแล้วตอนนี้เราก็เป็นอาลหันแล้วแต่อาลหันที่เป็นเพียงแต่ในทฤษฎีพอกิเลสออกมาก็กราบมันโดยไม่รู้สึกตัวมันบอกไปช้อปปิ้งก็ไปเลยบอกไปเที่ยวก็ไปเลยเนี่ยบรรลุแบบเนี้เรียกว่าบรรลุแบบแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิ ปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นสัญญาเป็นความจำใช่มากกว่าไม่ใช่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงมันต้องดับกิเลสได้เวลาอยากจะไปชอปปิ้งก็หยุดมันได้เวลาอยากจะไปเที่ยวก็หยุดมันได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ไปกับมันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่เสียหายก็จบจะแสดงว่าเป็นสาวกของกิเลสร้อยเปอร์เซว่ามา คำถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับข้อที่1ได้ปฏิบัติโดยทำบริกรรมพุทโธสลับกับบทสวดหลวงปู่ทั่วตลอดเวลาที่ว่างจากการทํางานแต่จะนั่งสมาธิไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันเรียนถามหลวงพ่อว่าจะใช่อุบายบังคับตนให้อยากนั่งสมาธิทุกวันได้อย่างไรก็ถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องนั่งต้องบังคับเหมือน เหมือนกับเวลากินข้าวถ้าไม่กินเดี๋ยวมันก็หิวถ้ากินแล้วมันก็อิ่มถึงแม้จะไม่อยากกินก็ต้องกินพวกเราเวลาถึงเวลากินข้าวบางวันก็ไม่อยากจะกินแต่ก็ยังรู้ว่าถ้าไม่กินโทษของมันจะเป็นอย่างไรก็ยอมยอมฝืนบังคับกินดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยไม่ถูกปาปมันก็ดีกว่าที่จะต้องไปหิวต่อไปในภายภาคหน้าอันนี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องพยายามบังคับตัวเองนั่งสมาธิให้บ่อยให้มากเพราะถ้ามีสมาธิแล้วจะมีที่พึ่งทางใจเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อาศัยสมาธิดับความทุกข์ได้ชั่วคราวดีกว่าไม่มีเลยให้คิดว่าสมาธินี้เป็นเหมือนน้ำดับไฟเราเวลามีบ้านมีช่องนี้เราต้องมีที่ดับเพลิงไว้เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราจะได้ ใช้เครื่องดับเพลิงนี้ดับไฟได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในใจนี้ดับมันไม่ได้มันก็จะทุกข์ทรมานจนอาจจะถึงกับข่าตัวตายได้ให้มองเห็นโทษของการที่ไม่มีสมาธิแล้วให้เห็นคุณของการมีสมาธิก็จะทำให้เรามีฉันทะวิริยะมีความยินดีที่จะนั่งถึงแม้ว่าจะยากจะลาบาก ก็ขอให้คิดว่ามันยากมันลาบากเฉพาะช่วงต้นๆเพราะเราไม่เคยไม่ชินกับมันเหมือนกับเราหัดพิมพดีดช่วงใหม่ๆนี่เราก็ต้องคอยจิ้มทีละนิ้วไปแต่พอเราทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆก็ความชำนาญก็จะเกิดขึ้นเองต่อไปนี่ก็พิมพ์แบบสัมผัสได้อันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิใหม่ๆก็เหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขา เข็นขึ้นไปได้สักสองสามเกก็ไหลกิ้งกลับลงมาก็ต้องพยายามเข็นมันขึ้นไปไเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยอดพอถึงยอดแล้วทีนี้สบายแล้วมันไม่ไหลลงมาแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นกรุงโรงไม่ได้ไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวให้คิดอย่างนี้สมาธิก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยทันใดเลยยกเว้น ถ้ามีสติมากเคยสร้างสติมามากเคยมีสมาธิของเดิมมาแล้วนั่งครั้งเดียวก็จิตก็จะรวมได้ถ้ามันไม่รวมก็แสดงว่าเรายังไม่มีอะไรเลยเมื่อเราไม่มีเราก็ต้องรีบขวนขวายทำให้มากกว่าคนที่เขามีเราก็ต้องเจริญสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งก็นั่งพยายามเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสตินั่งไปยังไงก็ไม่ได้ผลอยู่ดีงั้นก็ต้องกลับมาที่สติอีกละ ถ้ามีสติแล้วเวลานั่งมันก็จะได้ผลเร็วได้มากได้น้อยมันก็จะทําให้มีกําลังใจขึ้นมาทันทีว่าอ๋อผลจากการนั่งสมาธิดีอย่างนี้หนอะอนี่ต้องนั่งบ่อยๆต้องจเจริญสติให้มากขึ้นไปจันทาวิริยะก็จะเกิดขึ้นจันทาวิริยะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังในในเบื้องต้นเราจะเกิดเพิ่มมากขึ้นไปเวลาได้ผลจากการปฏิบัติ พอได้ผลแล้วเท น, เนี้มันจะมีฉันทะวิริยะขึ้นมามากเลยมากกว่าตอนที่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นัันพยายามปฏิบัติให้มันได้ผลแม้แต่เพียงแค่ชั่วฟ้าแลบก็ตามเพราะถ้าจิตมันสงบเพียงชั่วฟ้าแลบเนี่ยมันจะมีฉันทะวิริยะเกิดขึ้นมาอย่างมากมายถึงสามารถที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยให้ความสุขกับเราได้ทิ้งมันไปหมดได้เลย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 และต้องแก้ไขอย่างไรเพราะตอนนี้อายุ80ปีแล้วเคยเข้าทางธรรมแต่ปฏิบัติยังไม่ได้เลยถ้ารักษาศีนห้าได้ตลอดเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีนห้าไม่ได้ทำบาปเพราะความกลัวก็จะต้องไปเป็นอาสุลกายถ้าทำบาปด้วยความโลภตายไปก็ต้องไปเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็ต้องไปนรกถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานนี่คือที่ไปของผู้ที่มีอาคติสี่ทำบาปด้วยอาคติสี่คือรักชังกลัวหลงทำด้วยความรักความโลภก็จะไปเป็นเปรตทำด้วยความชังความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ต้องไปนรก ทำด้วยความกลัวก็ต้องไปเป็นอสูรกายทำด้วยความหลงไม่รู้ว่าผิดก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานนี่เกิดที่ไปของผู้มีอคติสี่ผู้ที่ทำบาปด้วยอคติสี่แต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเคยกลัวอย่างไรก็ยังกลัวเหมือนเดิมอยู่เคยโลภอย่างไรก็ยังโลภเหมือนเดิมอยู่ แต่อย่างน้อยไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นยาสูดลกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าอยากจะหายก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาจเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถทำลายอากติทั้งสี่นี้ได้ทำลายความรักความชังความกลัวความหลงได้พระอาจารย์ครับมีพี่ใหญ่จากจังหวัดเลยได้โทรมาฝากคาถามครับว่า ขณะนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักจะเกิดความเบื่อพอเบื่อเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นการคิดหรือพิจารณาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องข้างนอกหรือเรื่องข้างในเนี่ยถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้าจิตสงบก็ถูกต้องถ้าไม่สงบก็ไม่ถูกต้องถ้าคิดแล้วมันไม่เป็นปัญญามันก็จะไม่สงบ ถ้ามันไม่สงบก็ไม่ควรจะใช้วิธีนี้ควรจะใช้วิธีดูลมแทนถ้าไม่ชอบภาวนไม่ชอบบริกรรมพุทโธก็ลองหยุดบริกรรมแล้วดูลมหายใจเข้าออกแทนอยากคิดเพราะความคิดของเรามันไม่เย่อยู่ในระดับที่จะทำให้จิตสงบได้คิดไปก็จะฟุ้งไปเปล่าๆจะเสียเวลาไปเปล่าๆสู้กำหนดบังคับไม่ให้มันคิดจะดีกว่า ถ้าบังคับด้วยพุโทโธไม่ได้ก็ลองบังคับด้วยการดูลมบังดูลมไม่ได้ก็ลองบังคับด้วยการสวดมนต์ก็ได้ถ้าสวดแล้วมันเมื่อยมันขี้เกียจก็แสดงว่ามันไม่อยากจะสวดไม่อยากจะท่องก็ใช้ดูเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกหรือจะกำหนดดูอสุภารูปใดรูปหนึ่งก็ได้เช่นดูโครงกระดูกก็ได้หรือดูอะไรเพื่อให้ใจมันนิ่งไม่ให้ไปคิดปรุงแต่ง เพราะว่าถ้าเราคิดแล้วมันไม่สงบก็แสดงว่ามันไม่เป็นปัญญาถ้ามันคิดแล้วมันสงบมันก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันนี้เราก็ต้องสังเกตดูว่าอันไหนมันได้ผลทำให้ใจสงบ ก, ก็ใช้อย่างนั้นไปพระอาจารย์ครับมีผู้กล่าวไว้ว่าในขณะที่พระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่ศาลาไม้ตรงนี้ครับ ผู้เป็นคารวาสไม่ควรไปนั่งอยู่บนศาลาชั้นสองเนื่องจากจะสูงกว่าพระจารย์เป็นความเชื่อที่ถูกหรือไม่ครับไม่ไม่ไม่สําคัญหรอกเทวดาก็ยังฟังธรรมได้เพราะฉะนั้นขอให้เราฟังด้วยความเคารพความเคารพก็คือให้เราสงบกายวาจาใจเท่านั้นเองอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถือว่าเราอยู่ในอาคารนั้นเดียวกัน ถ้าเราอยู่ในอาคารอันเดียวกันเราสามารถที่จะนั่งในที่ที่เหมาะสมได้เราก็นั่งไปแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในที่หนึ่งที่มันไม่สามารถจะปรับให้มันเหมาะสมได้เราก็ต้องว่าไปตามสถานที่แล้วเกิดคนนั่งเครื่องบินมาผ่านมาผ่านวัดพระแก้วนี้ไม่บาปเดี๋ยยิ่งกําลังนั่งอยู่ในห้องน้ำอยู่เงี้ยแล้วเครื่องบินมันบินผ่านวัดพระแก้วกําลังฉี่อยู่พอดีเงี้ย แล้ว น, นั่นมันเรื่องความเคารพมากเกินไปเลยเถิดไม่มีการไม่มีขอบไม่มีเขตกระจายนะแต่ว ล, วลาเวลาเทวดามาฟังธรรมเทวดามันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมเวลาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าฟังธรรมกับครูบาอาจารย์เทวดามันอยู่ตรงไหนมันไม่สําคัญหรอกขอให้มันอยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมอย่างีเราเย้นจะทํำยังไงถ้านั่งที่สูงกานี้ไม่ได้มันไม่มีที่นั่งใช่ไหม เป็นคนที่การว่าเกาไม่ถูกที่ไอ้ที่คันไม่ไปเกาชอบไปเกาในที่ไม่คันแทนที่จะทำให้เรื่องราวมันสงบเป็นไปได้ดีกลับมาพยายามมาหาเรื่องที่จะทำให้การกระทำที่ดีทำทาต่อไปไม่ได้เพราะไอ้ความฉลาดแบบไม่เข้าท่าอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันก็ถ้า ถ้าสําหรับตนเองไม่พอใจว่าสูงไปก็มานั่งใต้ถุนได้เนี่ยใต้ถุนยังมีที่นั่งอยู่ขอเชิญอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ถือก็จบถ้าคุณถือคุณก็ต้องทําตามเรื่องของคุณอย่าไปบังคับให้ทุกคนถือแบบเดียวกับคุณเพราะปัญญาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมีอะไรไหมหมดแล้วครับอาจารย์อ่ามีข้อหนะึ่ง กราวเรื่อให้พระอาจารย์ช่วยขยายความการเจริญเมตตาเพื่อไม่ให้โกรธคือการเจริญเมตตาที่เราทำกันนี้มันเป็นการทำการบ้านเช่นเวลาเราสวดเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราแผ่เมตตาอันนั้นเป็นการทำการบ้านเช่นซ้อมว่าเราควรจะมีความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อผู้อื่น เราควรจะไม่จองเวรจองกรรมเราควรจะให้อภัยอันนี้เป็นการทําการบ้านสอนเราแต่วิธีที่จะแผ่เมตตาจริงๆต้องเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเวลาใครตบหน้าเราใครแย่งแฟนของเราไปเราก็ต้องแผ่เมตตาให้อภัยเขาอย่าถือโทษเกิดเคืองเขาถือว่าเป็นกรรมของเรากคนละกันหรือถือว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นเรื่องของมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา มีรักก็ต้องมีชังเปลี่ยนได้คนเคยรักเราก็มาเกียดเราได้พอเขาเกียดเราเขาก็เลยตบหน้าเราเขาก็ย่างแฟนเราไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเราไปอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาใจของเราจะได้สงบจะได้ไม่ก่อกรรมก่อเวร น, นี่คือการแผ่เมตตาขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะ้แผ่แบบไหนถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงไม่มีใครทำร้ายเราแล้วก็แผ่ความรักให้กับผู้อื่น มีขนมก็แบ่งให้กับคนนั้นคนนี้กินมีของใช้ที่เราไม่ใช้ก็ให้คนนั้นคนนี้ไปอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกันหรือว่าเวลาใครก็ทําให้เราโกรธเราก็ให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมโทษตัวเราเองโทษกรรมของเราว่าเกิดมาแล้วเคยไปทําเวรทํากรรมกับใครมาตอนนี้ก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมากรรมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร ทำยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรนี่คือการแผ่เมตตาจริงๆต้องตอนที่เจอเหตุการณ์เจอคนเจอคนที่เราไม่ชอบนี่เรายิ้มให้เขาได้หรือเปล่าได้ไหมหรือถ้ายิ้มไม่ได้อย่างน้อยหากห้ามใจอย่าไปด่าเขาได้หรือเปล่าอย่าพูดไม่ดีกับเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วเข้าใจไหมที่นั่งสวดตามลำพังหรือเวลาสวดพร้อมกันนี่มันเป็นการทาการบ้าน เป็นการสอนให้เรารู้ว่าเราต้องทำอย่างไรแต่ยังไม่ได้แผลจริงต้องแผ่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกับตอนขึ้นเวทีตอนที่เราชกซ้อมชก ม, มวยชกกอสอบทายนี่เป็นการทำการทำการบ้านไม่เหมือนต้องขึ้นไปบนเวทีถึงจะต้องใช้วิชายุ์ของเราต่อสู้กับผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้ของเราไม่ใช่คนข้างนอกแต่กิเลส ข, ของเราเอง คือความโกรธความเกลียดของเราที่เราต้องทำลายมันให้ได้ท่านถึงบอกว่าให้ชนะตนอย่าไปชนะผู้อื่นอย่าไปชนะคนที่ทำให้เราโกรธแต่ให้ชนะความโกรธเพราะความโกรธมันเป็นภัยกับเราไม่ใช่คนที่ทำให้เราโกรธคนที่ทำให้เราโกรธนี่ไม่สามารถทำให้เราทุกได้ถ้าเราไม่โกรธตามแต่ความโกรธนี่จะทำให้เราทุกจะทาให้เราไปทาบาปได้เนนเราต้องเอาชนะตัวนี้ให้ได้ชนะตน นี่คือการแผ่เมตตากากอเลี้ยนต่ขนาดที่เดินจมกมอมาค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกบางอย่างปั๊บขึ้นมาทันทีใช้สติบอก <c oughs> เฮ้ยวิจิตกิจชา <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่รู้จะยับยังไงกลับไปเอ็งหาเรื่องให้ตกนรกอีกแล้วเพราะกลัวเพราะรู้ว่าถ้าคิดต่อรู้ว่า ยับออกมาเนี่ยคือยับที่จะเป็นร่วงเกินครูบาอาจารย์อาจารย์คำถามมันที่หนึ่งก็คือลักษณะอย่างเนี้ยจะใช้ปัญญายัางไงซึ่งจะยับกลับไปแต่ตอนนั้นใช้สติยับเพราะกลัวตกนรกค่ะเราเรามีปัญหาอะไรนะตอนเนี้ยตอนนั้นเนะี่ยปัญหาไม่เป็นอะไรจะไปประมาทเขาเลยหรือจะไปอะไรคือ อ่านหนังสือเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์จุดดีมันแวบขึ้นมาเรารู้ว่าถ้าเราคิดต่อหมายถึงเราจะเป็นล่วมเกินครูบาอาจารย์นี้เว้ยเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพออาจารย์เรีบเบกคนะคะก็เราต้องใช้หลักการเามาสูตรไงไม่ว่าท่านพูดอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของท่านเราจะเชื่อไม่เชื่อนี่เ ป, นเป็นเรื่องของเรา พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ต้องเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่ก็ไม่ต้องปฏิเสธให้เราเอามาพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็แขวนไว้ก่อนวางไว้ก่อนก็เท่านั้นเองนี่เกิดวิธีปฏิบัติกับผู้อื่นเวลาใครเขาจะมาพูดอะไรให้เราฟังเราอย่าไปเชื่อทันทีทันใด มีคนเข้ามาบอกว่าแฟนเราไปแอบมีชู้กับคนนั้นคนนี้เรายังไม่ต้องไปเชื่อเขาเราอาจจะถูกเขาหลอกเราก็ได้ให้เราโกรธเกลียดแฟนเราขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาก็ได้เราก็ต้องจ้างนักสืบหาหลักฐานมายืนยันก่อนอแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเข้าใจไหมนี่คือหลักการของเวลาที่ เราได้ยินได้ฟังอะไรจากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นให้ฟังหูไวหูอย่างที่วันนี้พูดก็ไม่ต้องเชื่อเราเราไม่เราไม่เสียใจเราถ้าไม่เชื่อเราแต่อย่าปฏิเสธก็แล้วกันเพราะคุณยังไม่รู้ว่าเราพูดจรงิงเราไม่พูดไม่จรงิงถ้าคุณมีหลักฐานมายืนยันว่าเราพูดผิดนี้เราก็จะเชื่อเราจะยอมรับเลยถ้าเราพูดผิดเอา้วัพอดีหมดเวลาละ ก็ขอเอายุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ